สรุปความว่านิพพานมีอย่างเดียวได้แบ่งมองเป็นสองด้านด้านที่หนึ่งคือนิพพานในแง่ของความสิ้นกิเลสซึ่งมีผลต่อการติดต่อเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกหรือต่อการดําเนินชีวิตประจําวันด้านที่2คือนิพพานในแง่ที่เป็นภาวะเฉพาะล้วนล้วนแท้แท้ซึ่งเป็นประสบการณ์เฉพาะของผู้บรรลุไม่อาจอยังถึงด้วยประสบการณ์ทางอินทรีห้าเป็นเรื่องนอกเหนือจากประสบการณ์ที่เนื่องด้วยขันห้าทั้งหมด อนุปาทิเสสนิพานคือนิพานตามความหมายของนิพานเองแท้ๆล้วนๆไม่เกี่ยวข้องกับขันห้าสอุปาทิเสสนิพานคือนิพานตามความหมายในทางปฏิบัติเมื่อสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตประจําวันพูดอีกอย่างหนึ่งว่าอนุปาทิเสสนิพานคือนิพานในความหมายที่พระอรหันต์มีนิพานเป็นอารมณ์สอุปาทิเสสนิพาน คือนิพพานในความหมายที่พระอาหารหันต์มีขันห้าเป็นอารมณ์ที่กล่าวว่าอนุปาทิเศ ส, สนิพพานหมายถึงภาวะของนิพพานเองแต่แท้วนวลนั้นต้องกับมติของพระอัตถกถาจารย์ในกัมพีปรมัตถีปณีซึ่งอธิบายว่าอมะตะมหานิพพานธาเรียกว่าอนุปาทิเศษาตรงกับภาวะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามีอยู่นะ ภิกษุทั้งหลายอาญัตนะที่ไม่มีปัทวีไม่มีอาโปไม่มีเตโชไม่มีวายโยไม่มีอากาสานัญจาตนะนอกจากนั้นอธิกถาดีกาบางแห่งอธิบายความหมายบ้างใช้ถ้อยคำบ้างอันแสดงให้เห็นว่าอนุปาทิเเสสนิ พ, พานตรงกับอนุปาทาปรินิ พ, พาน ซึ่งหมายถึงภาวะของนิพพานที่เป็นจุดหมายในการปฏิบัติธรรมหรือเป็นที่บรรลุสูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นอันสนับสนุนคำอธิบายที่ได้แสดงมาแล้วในมัชิมัติิกายอัตตะถาคือคำพีปปัญจสูทนีกล่าวว่าอนุปาทาปรินิพานเท่ากับอัปปัจยะปรินิพานแปลว่านิพพานที่เป็นภาวะอสังขตาธาตุ และในมัชฌิมนิกายรีกาอ้างในมังคลัตติปปนีกล่าวว่าอัปัจยะปริณิพานเท่ากับอนุปาทิเสสะปริณิพานจึงรวมความเท่ากับพูดว่าอนุปาทิเสสะปริณิพานเท่ากับอนุปาถาปริณิพานและเท่ากับภาวานิพานที่เป็นอสังขตาธาตุคือนิพานตามความหมายของภาวานิพานเองแท้ๆล้วน ดังได้อธิบายแล้วข้างต้นในอัตถกถาของธรรมบทของอิติวุตกะและของพุทธวงศ์ก็ใช้คําอนุ ป, ปาธาปาริณิพานแทนคําว่าอนุปาทิเสสะ ป, ปริณิพานอนุ ป, ปาธาปาริณิพานนี้เป็นชื่อของนิพานอีกคําหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากเป็นคําเดี่ยวโดดไม่ใช้คู่กับใครมาในบาลีหลายแห่งและมักใช้เป็นคําแสดงจุดหมายของพระพุทธศาสนา เช่นพิกสุเราแสดงธรรมมีอนุ ป, ปาธาปรินิพานเป็นประโยชน์ที่หมายการปร ะ, ะพฤติโรมอาจารย์อยู่กับพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เพื่ออนุ ป, ปาธาปริณิพานเป็นตน้นตามปกติอัตถกถาจะอธิบายว่าอนุ ป, ปาธาปริณิพานได้แก่อัปัจจะปรินิพานคือภาวะแห่งนิพานที่เป็นอสังกตธาต ซึ่งไม่มีเชื้อคือปัจจัยปรุงแต่งเป็นภาวะที่บรรลุได้แม้ในระหว่างมีชีวิตอยู่แต่ก็มีอาจารย์อยู่พวกหนึ่งที่เห็นว่าอนุปาทาปริณิพานแปลว่าปริณิพานโดยไม่ ย, ยึดมั่นคือไม่มีอุปาทานจึงหมายถึงอรหัตผลแต่มตินี้พระอัตถกถาจารย์ไม่ยอมรับ